ลูกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมสายอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าประกอบด้วยความเลื่อมสายอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมสายอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์มีปัญญาร่าเริงเฉียบแหลมและประกอบด้วยวิมุตติเขาย่อนคำไม่แจ้งเจอตัววิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกัมเรศเดริชานเปตติวิสัยอบายทุกขติวินิบาตนรกนีนะ น, นี่หมายถึงใครหมายถึงพผ้าหัน์คือเลื่อมสายไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีปัญญาร่าเริงเฉียบแหลมประกอบด้วยวิมุติทำให้แจ้งเจโตวิมุติปัญญาวิมุตอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่บุคคลนี้ก็พ้นจากอบายอันนี้หมายถึงพผ้าหัน์ ถ้าเป็นท่านาคามีละ่ะก็บุคคลบางคนในโลกนี้นะท่านาคามีนะมีความเลื่อมใสไม่หวนไหว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีปัญญาร่าเริงเฉียบแหลมแต่ไม่ประกอบด้วยอวิมุต เพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ําสิ้นไปหมายคขาว่าสังโยชน์มีสิบใช่ไหมละได้ห้าเหลือห้าอย่างเั้ยนะเขาเนี่ยเกิดเป็นโอปปาติกะจากปรินิพานในภพที่เกิดนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาบุคคลแม้นี้ก็พ้นจากนรกกําเโิดโดยชันเปิติวิสัยอบายทุกติวินิบาศอัะนนะีานาคามีพ้นจากอบายโดยประการทั้งปวงไหเนี่ยที่ขันขันร้องร้องเนี่ยไม่มีผ่านาคามีอยู่ในนั้นเลยอะนนะคิดได้ง่ายๆ่ยยังก็ได้ดูก่อนมหาบพิษ บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมสายอันไม่หวันใดในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริองอถ้านาคามีนะจึงจะมีปัญญาร่าเริงพระโสดาบันนี่ปัญญาเอา่อพระสกท า, าคามีปัญญายังไม่ค่อยร่าเริงเพราะอะไรเพราะยังมีราคะมีอกามราคากับปฏิฆาอยู่ปัญญาก็เข่าเริงเท่าที่ควร เพราะนั้นไม่เฉียบแหลมไม่ประกอบด้วยวิมุติเพราะสังโยชสามสิ้นไปเพราะทําราค่าโทสะโมหะให้เบาบางเขาเป็นพระสกท า, าคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวจกทําที่สุดแห่งทุกได้บุคคลนี้ก็พ้นจากอบายดูก่อนมหาบพิตรก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่อันไม่หวั่นไหวนายพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไม่มีปัญญาราเริงไม่มีความเฉียบแหลมไม่ประกอบด้วยวิมุติแต่ก็สสิ้นสังโยษสา ม, สาม คือสิ้นอะไรสกรายยะิฏฐิวิจิกิจชาและศีลพัตะปรามาศเขาเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนสัมมตนิยามเนี่ยนะนิยโตนิยโตนัต้นะแน่นอนหมายถึงประกอบด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แดเนี่ยนะสัมมตนิยามแล้วก็เขาเนี่ยปรัสรู้ข้างหน้าต่อไปแน่บุคคลนี้ก็พ้นจากอบายพระโสดาบันนี่พ้นจากอบาย ดูก่อนมหาปีติบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมสายอันไวหววันไหวขออภัยไม่ประกอบด้วยความเลื่อมสายอันไม่วันไหวในพระพธธุทธเจ้าพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีปัญญาล่าเริงไม่เฉียบแหลมและไม่ประกอบด้วยวิมุตต์แต่เขาแต่ว่าเขาเนี่ยประกอบไปด้วยศรัทธาวิรยิยส ต, ติสมาธิปัญญา ทำทั้งหลายที่ตระาคตประกาศแล้วย่อมทนซึ่งการพริษด้วยปัญญาอย่างยิ่งกว่าประมาณแม้บุคคลนี้ก็ไม่ไป็นส่วบายทุคติวินิบาศนรกกรเมเนิดสัตดิรฉานดูก่อนมหาบพิษบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไไวในพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมไม่ประกอบด้วยวิมุติแต่ว่าเขามีธรรมเหล่านี้คือสัตถินสีวิริยินสีสตินสีสมาธิน ส, น ส, นสนีปัญญินสีแม้บุคคล น, นี้ก็ ไม่ไปส่วบายเนี่ยนะผู้ที่มีใจรักในพระธรามคดพอตมาเนี่ยนะคนที่มีใจรักในพระธถาคตนี้ก็ไม่ไปส่วบายดูก่อนมหาบาพิษถ้าต้นไม้ใหญ่เหล่านี้พึงรู้ทั่วถึงข้อความแห่งสุภาสิตทุกภาสิตได้ไซอาตมาภาพก็จะพยากรณ์ว่าต้นไม้เหล่านี้เป็นพระโสดาบัน เนี่ยนะพราะต้นโทรนี่มันฟังความรู้เรื่องมาแล้วนะนะรู้จักคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันรู้ได้เนี่ยมันก็ไม่ปลายาบากอะรกันนะั่นอันนี้เพื่อพูดเท่าอุปมานะยังให้เข้าเป็นพระโสดาบันเที่ยงที่จะตรัสรู้ในภายหน้าจะเกล็กเปล่าไปลายถึงเจ้าสารกานิที่สมาทานสิกขาในเวลาอช่พระชนเจ้าสารกานิเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนตายก่อนหน้านั้นมามีคนรู้ว่าท่านท่านปฏิบัติอยู่แต่ว่าศีลไม่ค่อยดีนักนะเนี แต่บางคนเนี่ยเท่าที่สังเกตมาเนี่ยคนที่ดื่มสุราไม่ใช่เขาไม่คิดอริยสัจนะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเขา้เขาเพ่งมากแต่ว่าคนประเภทนี้ไม่มา ก, ก น, นะแต่ว่าพอมีอยู่บ้างในที่สุดเขาก็ชําระศีลให้บริสุทธิ์ได้ในบั้นปลายของชีวิตเพิ่เท่าที่ว่าคนรู้กับคนไม่รู้ไหนดีกว่ากันคนรู้ก็ดีกว่าตามเพรยังทําไม่ได้ก็รู้ไว้ก็ดีกว่านะตอนหลังอาจจะทําได้ก็ได้เนะ แต่ที่เอามาอ่านตรงนี้เนี่ยนะก็ที่ชอบก็คือบอกว่าถ้าต้นไม้ใหญ่เหล่านี้พึงรู้เทื่อถึงสุภาสิทธุทภาสิทธิอัตมาภาพก็จะพยากรณ์ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ว่าเป็นโสราบัน มีอันไม่ตกต่าเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้เนีนของเราทั้งหลายก็ชื่อว่ารู้ความแห่งสุภาสิตทุพภาษิตแต่ถ้าตั้งใจศึกษาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนทําไมเราจะพ้นจากทุกข์ไม่ได้ทําไมเราจะไม่ตรัสรู้ธรรมนะทำไมเราจะไม่ตรัสรูรรสร้อรยิยสัจตามพระพุทธเจ้าได้ อันนี้ก็เป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับโสตาปฏิยังฆ่าธรรมเนี่ยนะว่าผู้ที่เป็นพระสูดาบันไปแล้วคือบุคคลที่มีศรัทธาเื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แต่ที่อยากเน้นมากว่าเห็นพระพุทธเจ้าในทุกเห็นทุกแห่งไหมะนะใจเห็นพระพุทธเจ้าด้วยใจทุกหนทุกแห่งไหมสองแล้วเลือกถึงอริยสัจอะไรไบ้าง แล้วอริยสัตว์เหล่านั้นเป็นอย่างไรมองเห็นความปฏิบัติดีเป็นต้นของพระอาริยสงฆ์ไหมอันนี้แหละที่เป็นสาระที่เราจะต้องเอาไปค้นคว้าไปวิจารไปพิจรารณาไปเคร่องเครื่อนจนเพียงพอที่จะทําที่สุดแห่งทุกได้กลับธรรมสการถามพระอาจารย์ค่ะอะพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องเจ้าสอล ร, ร, รกาณิกับโซดาปฏิยังคธรรมนะพระอาจารย์อ ผู้ที่เป็นพระโสดาบันนี้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลบริบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็ศีลก็เป็นเบื้องต้นเป็นแผ่นดินที่แบบว่าอะจะทํารองรับเพื่อที่จะรองรับกุศลขั้นสูงๆต่อไปซึ่งถ้าตามความเข้าใจของโยมนี่การที่แบบว่าจะเป็นพระอริยะขั้นแรกคือพระโสดาบันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นขั้นต้นอย่างสมมุติว่าอย่างถ้าเปรียบเทียบอย่างทางโลกนี้คนจะเข้า โรงเรียนนักกีฬาได้นี้ขั้นแรกจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงก่อนซึ่งก็เหมือนกับว่าต้องมีศีลที่ดีก่อนแต่เจ้าสารการนี้นี้ท่านผิดศีลข้อดื่มน้ําเมาซึ่งเป็นข้อที่แบบว่าถ้าผู้ที่เมาไมายนี้ก็เหมือนกับผู้ที่เต็มไปด้วยโมหะทีนี้ท่านก็ดื่มน้ําเมาอยู่ประจําแต่ว่าท่านก็สามารถอบรรลุโสดาบันได้นี่ก็ตอนแรกก็คิดว่ามันไม่น่าที่แบบว่า เออมันไม่น่าจะเป็นไปได้อยากให้พระอาจารย์อธิบายให้ละเอียดตรงจุดนี้นะคะตอนสังเตรนี่ดื่มน้าเมาในร่วงกรรมบทข้อไหนดื่มสุรานี้ไม่ไม่เป็นอกุศลกรรมบทไม่เป็นกรรมมกิเลสแต่ว่าเป็นปัจจัยได้ก็คือปกติแล้วเนี่ยการดื่มสุราเนี่ยเมรัยมันเป็นที่ตั้นแห่งความประมาทคือเของมาเชื่อว่าเจ้าสารการนี่เนี่ยอาจจะคนดื่มสุราจริงแต่ไม่ใช่เมาแปอันนี้ไม่เชื่อหรอกว่าเมาแปร เพราะว่าคนระดับนั้นเนี่ยที่จะไปดื่มเล่าลักษณะปล่อยตัวจริงๆเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นระดับกษัตริย์เนี่ยนะเป็นระดับนั้นแล้วนะก็าอาจจะดื่มอยู่บ้างอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าโหเมาจนไม่มีเวลาสั่งแอลกอฮอลิซึมมันนะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะก็คือเป็นคนที่เรียกว่ามีคุณธรรมพอสมควรแต่ก็เชื่อไหมนายพระตายพิฎกมีอยู่ท่านเดียว เจ้าสรกาีเนี่ยนะคนพิเศษอย่างนี้มีอยู่คนเดียวอสันติมหามาตานั้นก็ฟังธรรมแล้วบรรลุแต่เจ้าโสรกานี้เข้าเฝ้าฟังธรรมประจําเนี่ยนะเขาฟังธรรมมามากแต่ว่าไอ้ติดสุรานี่มันติดมานานแต่ก็ไม่ได้ดื่มจนเรียกว่าเผลอจนหลงลืมไม่รู้ตัวอะไรเลยก็ไม่ใช่นี่นะท่านก็ผู้ที่อย่างเจ้าระดับเจ้าโสรกาเนี่เห็นพระพุทธเจ้าด้วยเป็นต้นเนี่ย ท่านก็สามารถชำระจิตของท่านได้แต่ก็ไม่ยาเราทั้งหลายฟังแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนแบบอะไรว่าว่าเพราะว่าคนอย่างนี้มีอยู่คนเดียวเนี่ยนะพระสูตรท่านสอเจ้าสอนการเนี่ยมีอยู่คนเดียวแต่ให้รู้ว่าที่ยกมากล่าวหมายควาว่าผู้ที่มีใจรักเรื่มใสในพระพุทธเจ้าถึงยังมีความผิดพลาดบ้างกุศลแต่ในที่สุดเนี่ยความที่เขามีใจรักกับพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระตนะตรายเนี่ย จกสา ม, มารถประคับประคองช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ได้เนี่ยนะแต่ใครจะเสนอสูตรอะไรอีกบ้างไหมแต่ทักษิณาวิพังกสูตรจะฟังที่นี่ไหมทักษิณาวิพังกสูตรเนนะี่ยนะโอ้คุณกันตาถามได้งไงเนี่ยทักษิณาวิพังคสูตรถามได้ยงไงเนี่ยแบบเกี่ยวกับอะไรยิงแกถามดีแล้วแกแกงดูไปไงนะั้นเลยแต่ทักษิณาวิพังกสูตรก็คือเรียวกว่าทักษิณาก็หมายถึงว่าการทําบุญเนี่ยนะวิพังก็คือการจําแนกการจําแนกเกี่ยวกับเรื่องการ ทำบุญจนแน่เกี่ยวกับการเจริญกุศลนั่นแหละเรียกว่าทักษิณาวิพังก่อนที่พระอาจารย์จะขึ้นสูตรใหม่นะคะกลับ น, นวมัสการถามเรื่องขณะที่มรรคจิตเกิดคือมีพระอริยะหลายท่านที่ท่านพอจุติปุ๊บแล้วท่านไปปฏิสนธิในสัทธาวาสแล้วท่านก็บรรุออรหันต์เลยอย่างเช่นพระเจ้าปุกุษาติทีนี้โยมก็เลยสงสัยว่าแสดงว่าก่อนที่จุติจิตจะเกิดนั้นท่านมีการเจริญ วิปัสนาแล้วก็เกือบจะบรรลุอริยมรรคอยู่แล้วพอจุติปุ๊บไปปัะสติสนธิท่านท่านาบรรลุเลยเหรอคะตอนนี้นี่การที่ว่าวิปัสนามันต่อเนื่องกันนี่มันอยากให้อธิบายนะคะโยมไม่เข้าใจมันคือถึงบรรลุว่าหลังจากนั้นสักสิบชั่วโมงเขาก็เรียกว่าบรรลุเลยแล้วแหละใช่ไหมหรือสักอาทิตย์หนึ่งของมนุษย์นะอายุของพรมมันก็แว บ, บเดียวเอง ก็เรียกว่าบรรลุเลยมันไม่ใช่ว่าวิถีที่สองแล้วบรรลุเลยไม่ใช่อย่างนั้นนี่ยนะไล่อย่างหนึ่งก็คือท่านเหล่านั้นเป็นพระนาคามีอยู่แล้วนะีะเจ้าสระเขอาไปพระเจ้าปุ ก, กุสสาติก็เป็นพระนาคามีอยู่แล้วอ่พาพระอะไรนะอุปกะใช่ไหมอุปกะ น, นี่ก็เป็นพระนาคามีอยู่แล้วท่านเหล่านั้นไปเกิดในพรหมชั้นสุดทวาวาตพรหมเนี่ยนะกับมนุษย์เนี่ยห่างกันเยอะมนุษย์เนี่ยมันยังมีปริโภูด้วยทวารจมกูกทวารลิ้นและทวารกาย พระนาคาถ้านาคามีไม่มีพรหมเนี่ยไม่มีทวารสามทวารนี้ทั้นถ้านาคามีเอ๋ที่จะเห็นแล้วติดใจในการมาคุณเนี่ยด้วยนิวรณกุ้มลมไม่มีไม่มีราคะไม่มีโทสะเนี่ยนะสุขภาพกายสุขภาพจิตท่านดีขนาดไหนท่านพรหมเนี่ยฉลาดกาเทวดาหาประมาณนี้ได้แล้วฉลาดกว้างขวางเพราะท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นถ้านาคามีมาตั้งแต่ตอนแรกหรือแล้วท่านถ้าไปเกิดที่นั่นเนี่ยไม่น่าแปลกเลย แต่ถ้าเขามาจะแปลกใจว่าทําไมไม่บรรลุสักทีบางท่านนี่เค่อยรอไปจนถึงโนะ่นอะไรนะชั้นอากาักขณิฐาเนี่ยอันนี้น่าแปลกใจว่าทําไมไม่บรรลุสักทีหนึ่งแต่ถ้าบรรลุเร็วๆไม่ค่อยแปลกใจเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยมีอินทรีย์ก็นะว่าแก่กล้าบริบรูรณ์มากแล้ว พระอาจารย์หมายความว่าพอหลังจากปฏิสนธิจิตเกิดท่านก็มีสติสัมปชัญญะที่เจริญวิปัสนาต่อเลยแล้วก็บรรลุเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าการจุติแล้วปฏิสนธิในพรหมมันก็เหมือนกับคนที่หลับแล้วตื่นขึ้นเท่านั้นเองนี่นะเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็มาเช้ายังมวันว่างนะ่ายไหมตื่นขึ้นมาจะคิดอะไรก่อนใช่ว่าง่ายลองเล่าให้ฟังได้ฟังง่ายบ้างก็เมื่อคืนก็หลับไป ก็พิจารณาธรรมะหลับไปเนี่ยค่ะพอตื่นขึ้นมาก็อาจจะเป็นชวนาต่อเนื่องหรือไงไม่ทราบพอตื่นขึ้นมาปกติเราก็จะตื่นปุ๊บเราก็จะคิดว่าเวลาเท่าไหร่แล้วลูกไปอาบน้ำใช่ไหมเจ้าค่ะแต่วันนี้ตื่นขึ้นมาเสร็จก็เอ๊วันนี้ทุกข์กษัตริย์อะไรนะอ๋อนี้ทุกข์ <laughs> แล้วพิจารณาอย่างอื่นตามแล้วถึงค่อยลุกไปทำกิจเป็นกิจวัตรอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ สงสัยเป็นเนื่องจากการได้ฟังธรรมะอะไรเงี้ก็เลยอ๋อนี้ทุกข์อะนะใช่เลยนะเห็นคุณนภาปัดเนื้อเลยนะมองพี่วันบอกบอกพี่วันตุลย์ย่างพี่วันชาติฉลามรณะทุกข์กับโทมนัสสกับบริเทวะทุกขโทมนัสพี่วันบอกใช่ใช่เว้ย แต่แต่ทีนี้ว่าความจริงเหล่านี้นะต้องพูดในวงเดียวกัน <c oughs> เดี๋ยวไปบอกว่าเขาชาติชร า, ามมาแล้วนั่นเองไม่ว่า ด, ดีลไม่ว่าฉันแกง๋งนั่นน่น ก, ก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะพยายามนึกคิดอะไรางี้ไว่ายบ่ยเพราะว่าถ้าถามว่าในขณะที่ตรึกแบบนี้สายใจแบบนี้ตัณหาเพิ่มไหมไม่เพิ่มอยู่แล้วนี่นะกามาตัณหาเพราะว่าตัณหาเป็นต้นก็จักลดลงเนี่ยนะบาปอกุศลก็ลดลง เช่นถ้าตัญหาลดลงอย่างเดียวนะบาปลดอีกไม่รู้กี่ร้อยประเภทคอยลดปัญหาได้อย่างเดียวนะผมมายังชอบคำมองโยมท่านหนึ่งอนะที่อาจารย์สันติที่ชายอาจารย์สันติกล่าวว่ามันโลภะทั้งนั้นเลยนะเนี่ยก็ว่าที่ทุกๆเนี่ยมันมั่โลภะตัวเดียวเลยมันกันนะแล้วถ้าโลภะลดซะอย่างเดียวนี่ก็ก็กเบาไปเยอะเนี่ยนะจริงๆแล้วก็ปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าตัดเอะไรนะถ้าตัดไอ้ความพอใจออกไปซะอย่างเดียวเนี่ยนะมันจะไม่ใช่ปัญหาเลยนะ ะจะไม่ใช่ปัญหาแม้แต่อย่างเดียวถ้าตัดไอความพอใจในในสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นออกไปแต่ที่นี้เมื่ออย่างว่าถ้าไปพอใจแล้วเรื่องมันจะยาวคืออย่าลืมว่าทางธรรมานี้ถือว่าปัญหามันเป็นเหมือนกับอะไรความเป็นนี้ความเป็นนี้เพราะถ้าเราไปชอบสิ่งใดเนี่ยนะก็คือสมัครเป็นทาสของสิ่งนั้นเนี่ยนะเราคนไทยนะกของมาพูดเอ๊ะเขาบัญญัติสาบได้แตงสภาวะมากเจ้าเบา ก็คือสมัครเป็นทาสนั่นแหละบาวก็คืออะไรก็คือทาสนี่นแหละก็สมัครเป็นทาส น, น, นะนะแต่ก็หลายคนก็ภูมิใจมากเลก็จะเป็นเจ้าบาวที่ไหนได้ที่นั่นไปสมัครเป็นทาสเองอนี่ยนะคือดิฉันยังยังยังสงสัยนะจ๊ะคะที่พระคุณเจ้าเคยบรรยายบอกว่าผู้ที่มีศีลมีศรัทธาเนีนนเ่ยนะเออเหมัอนก็เหมือนเปรียบเสมือนว่าบุคคลนั้นนะ่ะมีทรัพย์ สามารถที่จะซื้อบ้านที่ราคาแพงหรือว่าเลือกซื้อ ซ, ซ, ซื้อบ้านได้ใช่ไหมเจ้าคะแต่ว่าพระสุรเดชันเนี่ยท่านก็เหลืออีกเจ็ดชาติซึ่งท่านก็ต้องไม่เกินจากนี้แล้วทีนีพ้พระคุณเจ้าบอกว่าจะต้องมาเข้าท้องอีกเจ็ดเจ็ดครั้งและฉันกำลังสงสัยว่ามีตัวอย่างไหมเจ้าคะที่ว่าจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ในในสมัยพุทธกาลของเราเนี่ยนะหลังจากนั้นมาไม่เคยได้ยิน เท่าที่อ่านในในพระไตรปิฎกไม่เคยได้ยินว่าพระโสดาบันท่านมาลงมาแต่นี้คือผ้าท่าเท่าที่เข้าใจนี่หมายถึงว่าท่านลงมาในยุคสมัยที่มันหน้าลงนะคือในยุคสมัยที่มันหน้าลงมาเกิดคือท่านเหล่านี้ปกติจริงๆแล้วท่านก็เลือกได้ใช่ไหมแต่ท่านไม่ยอมมาเลือกมายุคนี้แน่นอน ท่านใครที่เลือกมาขอยุคนี้เนี่ยนะแสดงว่าวิจารณญาณพลาดมากเลยเลยหรือไม่ก็หมดบุญมาง่ายๆเลยนะที่ที่ที่มามาในยุคนี้นะเขามาเชื่อลักษณะนั้นมากกว่าเพราะท่านท่านเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ลงมาง่ายๆเพราะว่าอะไรแล้วก็พูดอย่างว่านะถ้าเทพบนะสมมติถ้าท่านไปดาวจาวตุลเอ้ดาวประเดึงเนี่ยนะก็แค่ยี่สิบห้าวันเองแล้วถ้าตา ย, ยามาก็ไม่ถึงอาทิตย์เองอย่างเงี้ยเนั้นท่านจะลงมาทําไมเพิ่งเพิพ่ตายปอดเดืยดและขณะเดียวกันเนี่ยนะ ท่านเหล่านี้เนี่ยท่านฉลาดมากพอที่จะบือว่าอะไรเป็นอะไรแล้วรีบลงมาเนี่ยนะถามว่าท่านจะมาอยู่ในครันใครเอ๋แล้วจะมาบวชถ้าท่านจะมาบวชแล้วบวชอยู่วัดไหนอ๋อเพราะมันต้องคิดอีกเยอะเรื่องมันยาวเลยแหละเชื่อไก็ก็แสดงว่าไม่ไม่มีตัวอย่างในพระไตรปิฎกใช่ไหมคะแต่พระองค์เป็นผู้ตรัสไว้ว่าเจ็ดชาติเนี่ยนะตัวนี้เป็นพุทธพจน์เฉินพานก็คือเจ็ดชาติเฉินพานแตที่นี้ว่าเขมาเชื่อว่าบางยุคบางสมัยเนี่ยนะบางยุคบางสมัยที่อะไร ภูมิประเทศอุตุสปายะเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งท่านเหล่านั้นก็จะให้ลงมาเจริญกุศลอย่างเต็มที่พระโสราบันบางท่านเนี่ยนะที่บางทีอาจจะแม้ก็ะทั่งเห็นความวุ่นวายในเทวโลกก็จะลงมาในมนุษยโลกเนี่ยนะมาได้บำเพ็ญพรหมจรร์เป็นต้นในสมัยที่มนุษย์กิเลดเบาบางเลยนะนมาสการพระอาจารย์ค่ะมีตัวอย่างหนึ่งในศรีลังกาที่ เอมีพระเจ้าอะไรที่ท่านอยากจะฉันเนื้อนกกระทาแต่ท่านไม่อยากให้มีการฆ่านกกระทาไม่ใช่ไม่ใกรณีนี้ที่แบบว่ามีอุบาสกผู้หนึ่งที่อพระองค์ทดสอบโดยการที่แบบว่าให้เอาไก่ไปให้แล้วก็ให้เขาฆ่าไก่ทําอาหารมาถวายโดยบอกว่าถ้าไม่ฆ่าไก่เขาจะต้องถูกประหารเขาก็ยอมที่จะประหารเพื่อให้ชีวิตไก่อันนี้อท่านที่ศีลบริบูรณ์ขนาดนี้นี่ ท่านเป็นพระโสดาบันที่มาเกิดหรือเปล่าคะคื อ, อท่านเป็นอุบาสกอยู่แล้วไม่ใช่ท่านเป็นพระโสดาบันมาเกิดแต่ท่านเป็นอุบาสกที่มีศรัทธาที่มั่นคงซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระราชาต้องการจะฉันเนื้อ น, นกทาใช่มอเออเสวยเนื้อลกกทาซึ่งถ้าใช้คนอื่นตายเขาต้องไปฆ่ามาแน่ ก็ต้องเที่ยวหาคนมีศินให้คนมีศินไปหาเนนกกระาที่เรียกว่าไปซื้อนกตายมาจริงๆนะก็เลยหาไปเจออุบาสกคนเนี้ที่เรียกว่าเป็นผู้มีศินแต่เพราะคำก็ตํานานหรือคำพีก็ไม่ได้กล่าวว่าท่านเป็นพระอริยะมาแล้วแต่หมายถึงว่าท่านเป็นอุบาสกเนะี่ยท่านเป็นอุบาสกอยู่แล้วซึ่งสมัยนั้นก็พอสหลังอพอสประมาณสักก่อนพันปีเนี่ยนะพอสก่อนพันปีเนี่ยสมัยนั้นคุณภาพเนี่ยสูงมากนี่เวลาที่ยังเหลือนี่ก็ ก็อยากจะกล่าวถึงทักขีนาวิพังกสูตรบ้างหน่อนะแต่ก่อนที่จะกล่าวทักขีนาวิพังกสูตรก็ทวนเกี่ยวกับเรื่องโสตาปฏิยังฆาธรรมอีกครั้งหนึ่งว่าสําสหรับผู้ที่มีศรัทธา ม, มั่นคงร่วมสายไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นห่วงบุญห่วงกุศลเนี่ยนะเป็นท่อทานแห่งบุญท่อทานแห่งกุศลเพราะว่า ก็ที <ay đ> ่ดูนั่นหลังจากที่เรามีจิตมั่นคงอ Trans มีจิตที่เอนไปหาธาตุนตาฏเรัยอย่างยืดยาวมาเท่าทุกวันเนี่ยถามว่าอากุศลลดลงไปไหมาามันต้มเหนืออกุศลลดลงไปเยอะไหมเมื่อับมีจิตเอนไปหาพระรัตนารัยมากๆเข้าเนี่ยอะไรไม่เยอะฟังเข้าใจไหมอ๋ออกุศลมันลดลงไปเยอะใช่ไหมอ๋ออากุศลไม่เยอะเนี่ยนะ <Sie> <S <S ใช่อกุศลเนี่ยลดลงไปเยอะเนี่ยนะลด <horizon. S 1> ลดอะไรนะ หลายทางกันลดช้อปปิ้งไปเยอะอย่างเงยนี่มาดูข้อความในทักทีณาวิพังคสูตรมชิมนิกายอุปริปันนาธพรองประทับอยู่ที่วิหารนิโคทารามเขตพระนครกบิลพัฒน์ในสักกะชนบทสมัยนั้นก็พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาที่เมืองกบิลพัฒนไม่นานเนี่ยนะสมัยนั้นแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงถือผ้าคู่หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พอพระคาบนั่งเรียบร้อยแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้ของหม่อมชันกรอได้ทอเองตั้งใจอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยความมุเคราะห์โประรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของหม่อมชันเถิดเนี่ยนะก็โหนลงไม้ลงมือทําเองเลยนะคือทําว่าทําเองหมายความว่าหาช่างชํานาญชนานาญมาแล้วตัวเองเนี่เข้าไปช่วย เข้าไปเป็นผู้จัด ก, การผู้ดูแลทั้งหมดก็รวมเหมือนกับทาด้วยมือของตนเมื่อพนนระนางกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนโคตมีพระนางจงถวายสงเถิดเมื่อถวายสงแล้วก็จักเป็นอันพะนางได้บูชาทั้งอาตมาภาพและพระสงฆ์พระนางปหาอัตชาดบดีโคตมีก็กราบทูลเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามพระองค์ก็กราสว่า ด, ดูก่อนโคตมีพระนางจงถวายสงเถิดเมื่อนางถวายสงแล้ว จักเป็นอันพรนางได้บูชาทั้งอาตมาภาพและบูชาสงฆ์คือพระนางประชาบาดีโคตมีมามาถวายเนี่ยถวายเป็นปาฏิบุคลิกทานใช่ไหมที่ถวายพระพุทธเจ้านี่เป็นปาฏิบุคลิกฐานแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยน้อมให้พระนางถวายเป็นสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเนี่ยนะโพอองน้อมไปอย่างนั้นนะน้อมให้ถวายสังฆทานโดยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกนั่นเองและอีกในหนึ่งก็แหนะตรรกะฐานที่บายว่า พระ อ, องค์นี้ดำรงอยู่ไม่นานแต่ว่าสงทั้งหลายนี้ดำรงอยู่นานถ้าพระสงฆ์เรวเนี่ยนะจาสี่ท่านเหล่านั้นก็จักปฏิบัติตามธรรมวินัยก็สามารถพิสูจน์แห่งทุกข์ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วท่านท่านนนได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับ ทั้งคู่ของพระนางประชาบดีโคตมีเถิดพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีอุปการะมากมีอุปการะอุปการะยังไงเพราะว่าเป็นพระมาตุฉาคือพรนางผู้บำรุงเลี้ยงประทานขีรรถคือน้ํานมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระชนนีสวรรคตแล้วก็ได้พระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยเลี้ยงมาตลอดนะก็เพราะว่าพระนางมหามายาเนี่ยมี ประสูตรพระพระโพธิสัตว์ได้เจ็ดวันก็ก็สิ้นพระชนเนี่ยนะก็สิ้นพระชนสวรรคตเนี่ยนะท่นที่เหลือก็เป็นพาระของพระนางโคตมีให้ดื่มนมเองเนี่ยนะให้ดื่มน้ํานมเลี้ยงดูทุกอย่างส่วนพระ น, นันธะเป็นต้นก็ให้ใครเลี้ยงไปให้พี่เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงนะส่วนส่วนพระนางก็มาเลี้ยงพระโพธิสัตว์เมื่อพระภูมเออเนะี่ยพูดถึงส่วนที่อา่า พระนางประชาบดีโคตมีก็บำรุงเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยที่เรียกว่าให้ดูด น, น้ำเต้าพระถานก็ดูด น, น้ำนมจากพระนางเองเลยทีนี้อันนี้พูดถึงเสวนที่พระนางประชาบดีโคตมีนั้นมีอุปการะต่อต่อใครต่อเจ้าชายศิทิธรรมหรือต่อพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้ามีอุปการะต่อพระนางประชาบดีโคตมีหรือไม่ มาดูว่าแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงมีอุปการะมากแก่พระนางประชาบดีโคตมีเหตุผลที่หนึ่งนะมีอุปการะยังไงหนึ่งพระพระนางทรงอาศัยพระพุทธเจ้าจึงทรงถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางก็ไม่ถึงสารณะคมเลยแต่ที่ได้ถึงสารณะคมก็เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีอุปการะต่อพระนางอุปการะที่สองคือ พระนางนี้ได้อาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงงดเว้นจากตานาติบาตงดเว้นจากอธทินนาทานงดเว้นจากการมีสุมิชาชาฌางดเว้นจากหมู่สาวาตงดเว้นจากการเดินสุราและเมรยัยอันเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทเนีย่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปการะอย่างที่สองที่พระองค์อุปการะต่อพระนางประชาบาดีโคตมี ส่วนอุปการะอย่างที่สามอย่างที่สามก็คือพระนางประชาบดีโคตมีเนีิอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประกอบด้วยศรัทธาที่เป็นอัจฉริศรัทธามีความมั่นคงเลื่อนใส่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พราระยะทั้งหลายมุ่งหมายได้ก็คือเพราะอาศัยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระนางประชาบดีโคตมีจึงสมบูรณ์ด้วยโสตาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ประการอันนี้เหตุผลที่ ที่สามที่พระ อ, องค์มีอุปการะพระ อ, องค์ทรงมีอุปการะในที่สี่ว่าพระพระนางประชาบดีโคแตมีอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกหมดความสงสัยในทุกขสมภทัยหมดความสงสัยในทุกขานิโรธหมดความสงสัยในทุกขานิโรธคาขา ม, มิมีปฏิปทา ข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงมีอุปการะมากแก่พระนางประชาบาดีโคตมีนะก็พระนางประชาบาดีโคตมีมีอุปการะต่อพระองค์ด้วยการเลี้ยงดูให้ดื่มน้ํานมเป็นต้นแต่พระองค์มีอุปการะต่อพระนางสอย่างหน่ง แนะนำให้ถึงสารณะนะสองแนะนําให้มีศีลสามอ่านะนเน้นส่งข้อแนะนําให้ได้โสดาปติยังฆ่าธรรมสี่ประการแล้วก็ชุดที่สี่ก็คือแนะนําให้เห็นอริยสัจสี่ให้ไม่สงสัยในอริยสัจสีก็แลปลว่าพระพุทธองค์นี่ช่วยให้ทานายประชาบดีโคตมีบรรลุโสดาปฏิผลแล้วนไะพระองค์ก็แปลว่า ถูกแล้วอ น, นุนถูกแล้วอ น, นุนจริงอยู่บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเต็มพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนแต่อบุคคลนี้ด้วยเพียงกราบไหว้ลุกรับทำอัญชลีทําสามีจิกรรมด้วยการเพิ่มให้ปัจจัยสี่มีจีวรบิธฑบาตเสนาสนะและกีเหนัปัจจัยเภสัชบริหารก็คือนะนะถ้าใครแนะนําให้เราถึง สารณาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะมากไม่ใช่ตอบแทนแค่ปัจจาระเพียงพอบ่า ง, งั้นนะบุคคลใดาอาศัยบุคคลใดแล้วงดเรีนจากปานาติบาตินนาทานการเมสุมิฉาจานมุสาวาตแล้วก็ดื่มสุรามีไยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนต่อ บ, บุคคลนี้ด้วยเพียงการกราบไหว้ลุกรับธรรมัญชลีกรรมสามีจิกรรมเพิ่มปัจจัยสี่ให้ บุคคลใดาอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และก็ประกอบด้วยอริยศีลที่ผ้าอาริยทั้งหลายมุ่งหมายเราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกรับธรรมัญชลีกรรมสามีจิกรรมเพิ่มให้ปัจจัยสีเท่านั้นอะนะ บุคคลอาศัยบุคคลใดเลยเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกหมดความสงสัยในทุกขสมุทัยหมดความสงสัยในทุกขานิโรธหมดความสงสัยในทุกขานิโรธาคามนินีปฏิปทาเราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนได้ออตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกรับรำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมหรือการเพิ่มให้ปักจัย่ทีนี้พ่องก็กล่าวถึงว่าปาติปุคลิกทานว่าปาติปุคลิกฐา น, าาฐานทั้งหมดมีเท่าไหร่ มีสิบสี่สิบสี่นี่นับเอาสูงสุดโดยเป็นอันดับอันดับที่หนึ่งเนี่ยนะอันดับที่หนึ่งคือใครทักปาติปกุลิคทานเนี่ยนะสิบสี่อย่างคือหนึ่งทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่สองพระปจเจ ก, กับพุทธเจ้าที่สามสาวกผู้เป็นพระอรหันสาวกของพระตถาคตที่เป็นพระอรหันสี่ผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาอา ผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งข้อห้าถ้าอนาคามีหกผู้ปฏิบัติเพื่อทําอนาคามีผลให้แจ้งแล้วก็เจดพระสกธาคามีแปดผู้ปฏิบัติเพื่อทําสกธาคามีผลให้แจ้งแปดเก้านะเก้าพระโสดาบันแล้วก็สิบผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาบันหรือเพื่อปฏิบัติเพื่อทําโสดาปฏิผลให้แจ้ง แล้วก็ให้ทานในผู้บุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกาลก็หมายถึงให้ทานแก่ผู้ได้ฌานนอกศาสนาสิบสองก็คือให้ทานแก่ปุถุชนคนดีมีศีลเนี่ยนะคนมีศีลแต่ไม่มีสารณะเนี่ยนะแล้วก็สิบสี่เอ่อสิบสามให้กับคนทุศีลสิบสี่ให้กับสัตว์เดรัจานทีนี้ผมก็กลับถึงอันนี้สองว่าให้ทานในสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพึงหวังผลแห่งทักษิณาได้ร้อยเท่า คำว่าร้อยเท่านี้หมายถึงว่าอะไรให้อายุร้อยเท่าวันณะร้อเท่าอะนะสุขร้อยเท่าพระร้อยเท่าปฏิภาณ์ร้อยเท่าอายุวันณนะสุขพระ 100, ปฏิภาณ์เนี่ยนะสี่ประการนี้อย่างละร้อยเท่าเท่าไหนที่นี่หมายถึงชาติเพราะฉะนั้นหมายว่าให้สัตว์เดรยชั้นหนึ่งอิ่มหนึ่งอิ่มนะไม่ใช่ว่าอย่าให้ไปนิดเดียวเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าหนึ่งอิ่มเลยนะเลี้ย อ, อย่างอิ่มเลยอิ่มน้ําสําราญเนี่ย อันนี้แหละเนี่ยอา น, นิสงห้าร้อชาติมันงั้นนะถ้าพูดตามสำนวนอัตถกถาว่ามีผลห้าร้อยชาติอายุร้อยชาติวันละร้อชาติพละร้อยชาติสุขร้อชาติแล้วก็ปฏิพานอีกร้อยชาติก็เรียกว่าอา น, นิสงที่ให้ในเดรัจฉานมันที่เราไปเลี้ยงปลาเลี้ยงลิงเนี่ยก็อา น, นิสงไม่ธรรมดาเกันมื่อวานเสียดายไปไม่ไมรู้ว่าตรงนั้นาวันก่อนนีว่าที่เลี้ยงลิงเนี่ยไม่งั้นจะเอาอา น, นิสงหนึ่งรอชาติชุนว่าสิเนาะ ถ้าเราจะเลี้ยงมดเนี่ยนะอก็เลี้ยงช้างไงนะถ้าเลี้ยงมดเนี่ยถ้าเลี้ยงอิ่มหลายตัวเลี้จะได้เยอะใช่ไหมเออเนี่ยเออก็ถามลึกซึ้งดีนะเขามาตอบไม่ได้หรอกเออนึกไม่ออกเลยว่าแต่ถ้ากล่าวตามที่อื่นๆในท่านอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าที่อื่นๆนะถ้าถ้าฆ่าสัตว์เล็กเนี่ยบาปน้อยกว่าฆ่าสัตว์โตๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆก็ได้บุญนะฉกเอาไปแล้วเนี่ยนะอย่างงี้นะไม่ว่าจะเลี้ยงมดตัวไหนเอาข้าวมาทํา ทับฉานี่ก็มดอินไปร้อยตัวไหมมาตามสักช้อนหนึ่งก็คือท่านบอกว่าถ้าถ้าสายทำบาปนะถ้าฆ่าสัตว์เล็กก็บาปน้อยกว่า